ทวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการสันสินีสนทนานะคะดิฉันสันสินีนาคงค่ะเราก็มาพบกับท่านทั้งหลายตั้งแต่ตอนเช้าตรู่เพื่อที่จะให้ชีวิตของพวกเรานั้นมีเวล า, าทีที่มีค่าตั้งแต่เริ่มต้นของวันเลยเพราะว่าจะได้เสพสิ่งที่ล้ําค่าเป็นอริยทรัพย์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบหมายไว้ให้กับพวกเราหลังจากการตรัสรู้นะคะร่วมมาถึงวันนี้ 2,600 ปีแล้วก็ยังคงเป็นธรรมที่ ไม่ได้รับการปฏิเสธเลยนะคะว่าถ้านําออกไปสู่การปฏิบัติแล้วชีวิตจะไม่มีความสุขมากขึ้นทุกน้อยลงหรือว่าอาจจะมีทุกน้อยลงพูดคํานี้คําเดียวก็ได้เราเป็นรายการที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นรายการหนึ่งในไม่มากนักนะคะที่ให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมโดยมีพระอาจารย์นำตั้งแต่ตอนต้นของรายการแล้วก็ หลังจากนั้นก็ะจะเป็นการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในธรรมที่ได้ถูกนำใช้สำหรับการให้ท่านทั้งหลายปฏิบัตินั่นเองโดยพระสงค์ซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะถ่ายทอดบอกสอนอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในส่วนของการฝึกปฏิบัติที่วัดของท่านซึ่งมีเป็นประจำทุกเดือนบางเดือนก็มีมากกว่า1คอร์สท่ฉันกลาลังหมายถึงพระมหา ภ, าบภับุญภิปุโญจากวัดป่าดอนหายศอุดรธานี เตรียมตัวกันให้ดีเข้าใจว่าในอีกกี่ไม่กี่วินาทีนะคะท่านคงจะนําท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมกราบเป็นมรส ก, การค่ะท่านคะเจ็บบานเมื่อเวลาเช้ามาถึงเป็นยามสุดท้าย่งราตรีนะเป็นเวลาที่เราสมควรที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะทําความเปลี่ยนในการที่จะสังเกตจิตของเรานะคือให้ตั้งสติเไว้เดินด้วยลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ขณะ น, นี้คือเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ให้ใจคือจิตของเราเนี่ย มาระลึกถึงลมหายใจในะที่ตำแหน่งที่เราพอจะรับรู้ถึงสัมบัติของมันได้และที่แน่นอนเวลาที่เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราอย่างนี้่ทนะําให้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมและในขณะที่เรามาพยายามที่จะสังเกตลมหายใจของเราในะสมองของเราก็มีมันก็จะไปคิดเรื่องราวที่เป็นอดีตอนาคตหรือคิดเรื่องคนนั้นคนนี้ซึ่งวิธีการทําอย่างไรเราถึงจะปล่อยวางความคิด หรือจะมีวิธีการจัด ก, การกับความคิดความนึกที่มันจะเป็นไปในทางที่อาจจะทําให้จิตเราฟุ้งซ่านได้ซึ่งปัญหานี้โพระพุทธก็เคยเจอเรามาสังเกตลมหายใจของเราแล้วมาฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนก่อนที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นพระพุทธศาสนอยู่ได้ทําจิตอย่างไรพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกสุทธ้งหลายครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายัางไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตย์อยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าเราพึงทำความคิดทั้งหลายให้เป็น2 ส, ส่วนเถิดคือเราได้ทำความคิดในทางการความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียน3อย่างนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งและได้ทำความคิดในทางไม่ในทางหลีกออกจากการในทางไม่พยาบาท และในทางไม่เบียดเบียนสามอย่างนี้ให้เป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียนมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้จะเกิดมีความคิดในทางกา ร, รความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดต่างต่างเหล่านั้น เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความคิดในทางอาคูสนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝากฝ่ายแห่งความกับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพานเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาท และความคิดในทางเบียดเบียนนั้นย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้เราได้กระทำความคิดในทางอคุศลเหล่านั้นกระทำให้สิ้นสุดลงได้แล้วพิสุตรังลายเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางกราม ถึงความคิดในทางพยาบาทหรือถึงความคิดในทางเบียดเบียนจิตของเธอนั้นก็น้อมไปในความตรึตรึกในทางกามทางพยาบาทและทางเบียดเบียนก็เป็นเหตว่าเธอละความคิดในทางหลีออกจากการมละความคิดในทางไม่พยาบาทละความคิดในทางเบียดเบียนเสียเปรียบเหมือนในกล่าวฤ ด, ดูศาสตร์ คืเดือนสุดท้ายของฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงโคในที่แคบเพราะเต็มด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้อนห้ามกันฝูงโคจากข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้เพราะเห็นโทษคือการถูกประหารการถูกจับกลุ่มการถูกปรับสินไหมการกตีเตียนเพราะมีข้าวกล้านั้นเป็นเหตุถึงเราก็ฉะนั้น ได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวสามเศร้าหมองแห่งกุศลรรมทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งอ น, นิสง์ในการออกจากกามความเป็นฝักฝ่แห่งความป่องแพร่ของกุศลและมทั้งหลายและเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้จะมีความคิดในทางหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาาม ความคิดในต่างไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นเราก็ตรึกตามตรองตามถึงความคิดในต่างกุศลธรรมเหล่านั้นตลอดทั้งวันบ้างตลอดทั้งคืนบ้างตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนบ้างก็มองไม่เห็นไปที่จะเกิดขึ้นจากความคิดในต่างไม่เกี่ยวข้องด้วยกามความคิดไม่พยาบาติและความคิดไม่เบียดเบียนนั้น แต่ถ้าเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักกายก็จะเมื่อยลา้าเมื่อกายเมื่อยลา้าจิตก็จะอ่อนเปลี่ยเมื่อจิตอ่อนเปลี่ยจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิเราจึงดำรงจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้ด้วยหวังว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยเปรียบเหมือนในเดือนสุดท้ายของฤดูร้รอน ขากล้าทั้งหมดเขาขนนําไปในบ้านเสร็จแล้วคนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้เมื่อเขาไปพากใต้ร่มไม้หรือไปกลางทุ่งแจ้งแจ้งพึ่งทําแต่ความกําหนดว่านั่นฝูงโคดังนี้ก็พอแล้วถึงเราก็เพียงนั้นแค่ทําความบรรลึกว่านั่นทำทั้งหลายดังนี้ก็พอแล้วฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความคิด เกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติอยู่อย่างนี้ก็ให้แยกแย ะ, ยะและความคิดต่างอากุศลดำรงสติไว้ในความคิดที่เป็นกุศลเราก็สามารถที่จะลงกุศลธรรมไวในจิตของเราได้เรีนรัอนสาธุค่ะพุทธพจน์บทนี้เท่ากับว่าเป็นการสอนผู้ปฏิบัติโดยตรงเลยใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องถูกต้องคือพูดถึงเทคนิคในการที่เราจะละความคิดที่เป็นอกุศลด้วยค่ะคือ ถ้าั่งนี้ก็คือเหมือนกับว่าหากกาลังปฏิบัติอยู่มีจิต ท, ที่คิดไปในทางกา ร, รพยาบาทเบียดเบียนซึ่งถือว่าเป็นอัุตศน์ใช่นะคะคิดว่าเป็นความคิดทั้งหมดที่เราชอบคิดกันอยู่นั่นแหละอืมมันไม่ใช่ความคิดพิเศษอะไรเลยแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางกามนะคะอนนอันนี้ต้องมีการแยกแยะไง ค, ะคือหลายๆคนก็เหมือนกันนะคุณโยมติ๋วที่เขาคิดว่าแค่คิดแบบเรื่องที่จะไปทําบุญ<ม>ก็คิดว่าจิตใจสันฟูงสารอันนี้ก็เป็นทางในทางกุศลนะ เป็นในทางไม่เบียดเบียนเป็นในทางหลีกออกจากการเป็นในทางไม่พยาบาทตรงนี้พุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าไม่มีปัญหาสามารถคิดได้คดังนั้นถ้าคิดในฝ่ายที่เป็นกุศลได้เป็นความกามสมมุติเป็นความอยากแต่ว่าอยากที่จะไปทําบุญอยากจะไปทําความดีอะนะคะอันนี้ได้ถูกต้องเพราะยังอยู่ในฝ่ายกุศลใช่แต่ถ้าคิดแล้วเป็นการพยาบาทเบียดเบียนหรือว่าเป็นการปรารถนาจะไปทําในสิ่งที่ไม่ดีอื อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องค่ ะ, ะเช่นว่าคิดเรื่องทําการเช่นอะไรเช่นเราจะไปกินอะไรดีเนี่ยที่มันอร่อยลิ้นอย่างนี้อ่าอันนี้การมแน่นอนใช่ไหมคนไม่ค่อยมีอะไรทําจะคิดอย่างเงี้ยค่ ะ, ะไม่มีอะไรจะคิดมื้อคิดเอ๊จะไปเพลินเนที่ไหนดีอ่านั่งสมาธิเอ๊ฉันจะไปเที่ยวทางไหนอะไรเงี้ยแสดงว่าผีละผีละแต่แต่แต่แแะระวงังระวงัง ท่านยังใช้อยู่เหรอคะอุปกรณ์จับฟาวเนี่ยคะ่ะขอไปนี่คะ่ะท่านผู้ฟังคือท่านไปบูญเมื่อก่อนท่านใช้เครื่องมือที่มันดันเสียตั้ดตั้อย่างเงี้ยกับดิฉั น, นคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นการเตือนว่าเฮ้ยนี่เราต้องมีสตินะเนี่ยเราต้องมีสติะนะคือตอนนั้นบริษัทเนี่ยยังไม่ได้ตรัสรู้ด้วยนะคะกำลังทำความเพียรเพื่อที่จะตรัสรู้นะเลิกละไอทำทุกรก์ลริยาสไอหมาความสุขในใจไอใจทําไมมันมีความคิดนั่นนี่เอางั้นแยกไปก่อนแยกก่อนแยก2 ส, ส่วนแตนะ่คนที่จะแยกได้ต้องมีสติ พระที่สารตรับไว้ตรงนี้ผู้ชาตรับไว้ตรงนี้ชัดเจนนะภายหลังมาเล่าให้ฟังว่าเรารู้ชัดนะว่าความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วกับเราไอ้รู้ชัดเนี่ยแหละก็คือมีสติรู้ชัดทั้งความคิดทางการเปาียบไปเบียนรู้ชัดทั้งความคิดในทางไม่ใช่การไม่ใช่พยาาทไม่ใช่เบียดเบียนแล้วทํำยังไงแล้วทําัไงกับไอ้ความคิดที่ไม่ดีแล้วก็พิจารณาสิว่าเอ้มมันจะเบียดเบียนตัวเราเองไหมอันนี้ถ้าเราเก็บประไว้ ค่ะนะของไม่ดีม <so ันเก็บเอาไว้มันจะไม่ดีกันเรเจะเก็บไว้ทาไมก็ละมันเสียเนี่ยอ okay. um, ันนี้ก็เลยทำให้สิ้นสุดลงได้ค่ะนี่คือส่วนที่หนึ่งค่อส่วนที่ดิฉันติดใจก่อนจะไปส่วนที่สองของท่านหรือว่าไม่รู้อยู่ในส่วนที่สองหรือยังคือประโยคที่บอกว่าถ้าตรึกตามตรองตามถึงเรื่องใดมากๆนะคะจะเป็นกามจะเป็นพยาบาทจะเป็นเบียดเบียน ที่จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นออันนี้นะคะท่านฟังเรียนคิดว่าอน่าจะเตือนใจเราจริงๆว่าเมื่อทบทวนตามเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆ <ทะ S 2> ใช่เราเราดูโฆษณาอะไรเราอ่านหนังสือธรรมะคือเดือนนี้ยอสื่อมันมาเยอะแยะไปหมดน่<ท>ะหนึ่งออกมาคนโยมติมไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เโซเชียลมีเดียโทรศัพท์มือถือมันก็มาอุตส่าห์บอกว่าไม่รับแล้วมันก็ยังส่งมาอย่างเงี้ยนะ หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านั้นบอกอะไรเราคือถ้ามันมาคอยเตือนให้เราไปนึกถึงกามนึกถึงกามจิตใจเราก็จะน้อมไปอย่างนั้นในทางตรงข้ามถ้าเร า, เาพูดถึงว่านึกถึงธรรมะคิดในเรื่องธรรมะคิดในเรื่องที่จะไปสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้เป็นในทางกุศลจิตเราก็ะะจะน้อมไปอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนื้อที่ข่าวในการเสพข่าวของเราเนี่ยก็สําคัญนะสำคัญคว่าคุณอ่านข่าวอะไรมาก คุณคุยกับคนแบบไหนมากเขาให้ข้อมูลอะไรมากคุณเสพข้อมูลแบบไหนมากอย่างนี้อันนี้สําคัญมากๆค่ะ<ม>ก็จะได้ทําให้เรารู้เท่ารู้ทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันว่าบางทีเราคิดว่าเรื่องนี้ดีโหปล่อยจิตคิดตามไปนานตรึกตามตรองตามกลายเป็นว่าเราหนีโทษภัยจากสิ่งนั้นไม่พ้นใช่ค่ะใช่ส่วนที่2กรับทั้งค่ะส่วนที่สก็คือเรื่องในทางที่เป็นกุศลธรรมและในที่นี้ก็คือความคิดในการรีออกจากการ ในทางไม่พยาบาทในทางไม่เบียดเปลี่ยนค่ะไหนเช่นอะไรที่ไหมาเมือม่อพูดเมื่อสักครูน่นี้เช่นเราคิดไปเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลค่ ะ, ะแต่คิดอยู่จะไปวัดนั้นคิดว่าจะซื้ออันนี้ไปให้แม่ไหนเป็นการให้ทานเป็นการดูแลแม่อย่างงี้เอออันนี้ก็เป็นกุศลนี่นาะใช่ไหมซึ่งพระพุทธเจ้าบอกไว้าชัดเจนว่าถ้าจะตริตามตรองตามถึงความคิดในเรื่องนี้ยตลอดทั้งวันก็ไม่เห็นโทษอะไรจะคิดเรื่องนี้ตลอดทั้งคืน ก็ไม่เห็นโทษอะไรจะคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เห็นโทษอะไรแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคิดได้ในทางทางตรงนี้แต่ว่าใ น, ในขณะที่ปฏิบททัติธรรมคิดได้ด้วยใช่ใช่ใชตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าแต่ถ้าตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักเนี่ยกายจะเมื่อยล้านะเพราะว่าสมองมันตึก๊กตึกตึกต๊กตอยู่ตอลอดเวลาเหนือไหมเหมือนกับโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันรันอยู่ตอลอดเวลามันก็จะร้อน เช่นเดียวกันถ้ากายเมื่อไาจิตก็จะอ่อนเปลี่ยจิตอ่อเพลียจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิแล้วจิตห่างจากสมาธิมันจะได้ช่องก็เท่ากับว่าตรงกลุ่มประโยคเนี้เป็นการกล่าวถึงอารมณ์ของสมาธิโดยตรงเลยถูกไหมคะการตริตามตรองตามเนี่ยต้องตริตามตรองตามขณะที่เรากําลังพยายามทําสมาธิอยู่อ่าใช่ใ่นี่คือหมายก็ว่าอิริบทไหนก็ได้นะแต่ในใจเนี่ยพยายามให้เกิดสมาธิใช่ค่ะแล้วทีนี้พอ ตามตรองตาม น, น, นานๆที่ยันสงสัยเหมือนกันให้ทำไมเมื่อยเพราะว่าความคิดเนี่ยดูเหมือนกับว่าไม่เกี่ยวกับอะไรที่จะเมื่อยเมื่อยสมองอย่างนั้นนะคะใช่ใช่แล้วเราถามคนทํางานออฟฟิศดูได้อถ้าคนเข้างานเก้าโมงะนะประมาณสักสามโมงสี่โมงเย็นเนี่ยมันจะเริ่มหนืดอแล้วสมองอมคนทํางานออฟฟิศนี่เขาจะบอกสุดอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่สามสี่โมงเย็นเนี่ยแบบเริ่มคิดอะไรไม่ออกแล้วจะเก็บของกลับบ้านแล้วมันเหนื่อย ถ้าเขาทํางานเกี่ยวกับนั่คอมพิวเตอร์บ้างประชุมบ้างอะไรพวกนี้เขาจะทราบตีตรงนี้เมื่อสมองล้าสมาธิคลายไม่อย่างนั้นเถอะใช่สมองล้ากายก็อ่อนเปลี่ยเมื่อกายอ่อนเปลี่ยจิตก็จะเหินหนักจากสมาธิค่ะถ้าทําไงเราจะนี้นก็ู่้ริชากำลังอย่างนี้ตอนนั้นเป็นบริษัทก็พยายามที่จะทําจิตเนี่ยให้เป็นสมาธิในภายในมากยิ่งขึ้นบทเพียรชนะที่ผู้ริชาก็ใช้ในตรงนี้ก็คือว่า จึงทําจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทําจิตให้มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้แลนะด้วยหวังอยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยพูดง่ายๆนะคือทําให้สมาธิมันลึกลงไปอีกค่ ะ, ะนี่ก็คือทําให้สมาธิลึกลงไปก็หมายความว่าชั้นที่สองนั่นเองเพราะว่าชั้นที่สองเนี่ยสัมมาสังกปะมันจะไม่มีแล้วดับไปแล้วสัมา ม, สมาสังกปะคือการดับริชอบความคิดต่างๆไม่มีใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย เดี๋ยวคิดว่าคงจะมีคนจํานวนไม่น้อยนะคะที่จะต้องใช้เวลามากอยู่กับสมาธิในลําดับที่หนึ่งเพียงมีความคิดอยู่ใช่ไหมบค่ะทีนี้ดี๋ยฉันไม่ทราบว่าคําอธิบายพระสูตรที่ได้กล่าวไปเนี่ยหมดหรือยังจะได้ตั้งคำถามต่อท่านค่ะอ่าก็จะมีผู้ชาเปรียบเทียบนะอุปมาไปตรงนี้น่าสนใจที่พูดถึงว่าการเลี้ยงโ ค, คแต่ถ้าเรามาดูธรรมชาติของเด็กเลี้ยงควายหรือเด็กเลี้ยงโคก็ตามนะที่ตามบ้านนอกเนี่ยอ่า อาตมาเห็นอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยก็คือเวลาที่เราเห็นทั่วๆไปเขาก็จะเอาต้อนวัวไปให้กินหญ้าตรงนั้นตรงนี้<ฆ>อันนี้คือสภาพที่เราเห็นจากทีวีตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือคือเขาทําได้ตอนที่เขาเกี่ยวข้าวในนาไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ฆ>นะเราจะเห็นสภาพอย่างนี้แต่ความจริงคือว่าตอนที่นา ย, ยังมีข้าวอยู่เนี่ยบางครอบครัวหลายๆครัวเรือนก็ด้วยนะเขาก็ไปเกี่ยวหญ้ามาให้ควายกิน<ฆ>ตอนอามามาอยู่แถวนี้แรกๆเนี่ย ก็สงสัยว่าโอ้โหควายนี่มัน VIP เนาะ <c oughs> แหมมันคนต้องไปเกี่ยวย่ามให้มันกินทําไมมันไม่ออกไปเดินยิน่ค่ะนะเจ้ า, านาที่เขามาถวายอาหารที่วัดเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลนะนะ <c oughs> โอ้ไม่ได้ผมว่าถ้าออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันไปกินต้นข้าวเขาเราจะถูกปรับนจะเสียค่าสินไหมว่าอย่างนั้นค่ะ <c oughs> อ้าวนี่นเป็นความจริงอย่างที่ผู้เช้าสอนเลยนะเพราะว่าถ้าในช่วงฤดูฝนมีต้นข้าวงอกงามอยู่เนี่ยถ้าอาวัวควายไปเลี้ยงข้างนอกเนี่ย โอ้มันจะต้องคอยระวังอย่างมากตีต้นห้ามกันไม่ให้บัวเนี่ยลงไปในนาเขากินข้าวเขานะหรือว่าทําลายต้นกล้า ข, ของเขาก็จะถูกปรับเพราะฉะนั้นชาวนาจะต้องระวังมากบางคนไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเอาก็ไปเกี่ยวหญ้าไมาห้หัวกินซะมันจะได้ไม่ต้องไปลงไปให้ใครมาดูแลตลอดทั้งวันค่ะอันนี้เป็นอุ ป, ปมาอุปไมยที่เห็นได้ชัดเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับความคิดในใจของเราแตนะ่ถ้าความคิดในใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่บ้าบอก็แตกแบบในทางอกุศล คุณต้องระวังถึงคุณอย่างมากมาก ม, ากมากเลยอย่าให้มันไปโดนตรงนั้นไม่งั้นจะเจ็บนะจ ะ, ะเสียค่าปรับในทางธรรมข้ามนะถ้าจิตเรามีความคิดในทางกุศลอยู่แล้วแหมมันก็จะคิดบ้างนั่นนี่ก็ไม่เป็นไรก็เหมือนบวชก็ควายก็ปล่อยมันไปสบายๆอย่างเงี้ยน ะ, ะนี่คือในตอนที่ช่วงฤ ด, ดูแรงแล้วเข้าวกล้าดเก็บเกี่ยวหมดแล้วก็เปรียบเสมือนจิตของเรามันมีกุศลและทําอยู่ดีแล้วนะก็ไม่ต้องเครียดคลาดมากอย่างนี้ค่ะ ท่านฝังก็ได้ความรู้มากทีเดียวสําหรับคนที่ฝึกปฏิบัติอยู่เรียนเข้าใจว่ายิ่งได้เทคนิคถ้าใช้ภาษาแบบนี้นะคะเทคนิคในการที่จะช่วยทําให้เราปฏิบัติได้ดีขึ้นดิฉันเองกลับเรียนถามท่านเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าตริตามตรองตามอะไรกว่าไปนะคะ อ, อยากจะกลับเรียนถามท่านว่าแต่บางทีบางครั้งเนี่ยไม่ทราบ ว, ว่าปฏิบัติมานานๆเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะว่าจะเริ่มต้นเข้าสมาธิเนี่ยยากเมืวันฟุ้งซ่านฟุ้งมากเลย เรื่องโน้นเรื่องนี้นเรื่องนั้นเข้ามาย่ําแย่กว่าจะตั้งหลักเป็นสมาธิอ่อนๆขึ้นมาได้คะ่ะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องแยกแย่ตรงนี้เลยนแยกตรงนี้ว่าเรื่องอะไรที่มันเข้ามาเอาแยกเป็นสองส่วนตรงนี้เลยเป๊ะเลยนะอะไรดีเอาไว้ได้ส่งไว้ได้อะไรไม่ดีละทิ้งไปนะมันจะค่อยๆเป็นไปค่อยๆเป็นไ ป, อ, อ, ป, นไปอ่าเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยถ้าจิตเราอยู่ที่ว่านี้คุณไปเจออะไรมาด้วย เน่ยเพราะว่ามันอยู่ตรงที่ว่าเราตรีตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจีเราจะน้อมไปอย่างนั้นถ้าวันนี้เราเจอเรื่องร้ายๆมาอารมณ์มันไม่ดีเราจะมานั่งสมาธิมันก็จะมันน้อมไปตรงนั้นแล้วอ่ะเราก็จะต้องมาตรีตามตรองตามเรื่องที่ดีๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ใจของเรามันน้อมไปในทางดีอันนี้เราแก้ไขได้แล้ว <ità. S 1> เรื่องที่ดีๆเราก็เก็บไว้ก่อนในเรื่องที่ไม่ดีเราก็ละทิ้งไปเนี่ยอันนี้คือถ้าถ้าเป็นขั้นเป็นตอนเนตามนื้ยะของพระสูตรนี้นะตามเนื้เยื่อของพระสูตรนี้ หรัดขั้นตอนเล้วใช่ไหมค ะ, ะหรือค่ะหือ ถ, ถ้าเราจะรัดขั้นตอนไปอย่างที่คุณโยมติ ว, วา่าก็คือว่างั้นไอ้ความคิด ท, ทั้งหมดเนี่ยเราไม่เอาเลยก็ได้ค่ะแตโดยพยายามที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยสงบเป็นอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว้ น, นด้วยความเรื่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยอันนี้ก็ข้ามไปถึงขั้นตอนที่ว่าถ้าเราตรีตามตอนตามเหนื่อยแล้วเราก็จะทําให้จิตสงบก็คือทําให้ความคิดทั้งหมดมันดับไปเลยโดยทําที่จิตให้ส ง, งสงบลงเป็นอารมณ์อันเดียวให้ตั้งมั่นมากยิ่งขึ้น พิธีการก็อย่างที่เราทํามาตั้งแต่ ต, อ, ตอนเริ่มรายการนําพูดถึงการที่เราใช้ลมหายใจในการที่จะตั้งสติไวนั่นเองค่ะก็แปลว่าสมมุติเกิดฟุ้งมากๆฟุ้งมากๆเราไม่ทําละในลักษณะที่จะแยกออกเป็น2 ส, ส่วนแล้วก็เลือกส่วนดีคิดเราพยายามมีสมาธิมากๆอยู่กับลมหายใจมีจิตอยู่กับลมหายใจมากๆอย่างนั้นไหมคะไป ร, รู้อยู่กับลมหายใจมากๆใช่ใช่ นี่คือวิธีที่บอกอันนี้ลัดเลยใช่อันนี้ก็จะมีพระสวดที่ยืนยันบูชาได้ตรัสถึงอนาปานาสติเนี่ยถ้าเธอเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความะระ ง, งับเสียซึ่งวิตกอย่างนั้นวิตกจะเป็นกุศลวิตกอกุศลวิตกมันจะระ ง, งับได้ค่ ะ, ะวิตกของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือความคิดนั่นเอง ถ้าท่านอาจารย์ไม่พูดดิฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันต้องคิดว่าพระพุทธเจา้าทรงพูดถึงคนที่กังวลวิตกกังวลวิตกวิจารณ์นี่ยคือความคิดก า, ารวิเคราะห์ <c oughs> ส่วนวิตกในภาษาไทยเนี่ยที่พูดถึงความกังวลเนี่ยมันจะเป็นตรงกับคำว่านิวรในภาษาบาลีอนะคะงั้นเราก็อย่าเพิ่งไปนิวร์เลยค่ะเอาแค่วิตกก็พอใช่ใช่วิตกแปลว่าความคิดถูกต้อง แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดว่าตอนที่บอกว่าติดตามตรองตามอารมณ์ใดมากๆก็จะมีความโน้มเอียงไปตามอารมณ์นั้นเนี่ยนะคะแล้วก็จะเหนื่อยจะเมื่อยจะทําให้สมาธิเนี่ยมันเสียอืก็จะต้องทําจิตอันยิ่งใช่ไหมคะใชจดจ่ออยู่กับอารมณ์อันเดียวให้สมาธิลึกเข้าไปฮะแล้วท่านบอกว่าอันเนี้ยเป็นการที่จะก้าวพ้นไปสู่ฌานที่สองฌานที่สอ ง, ชสองใช่ เท่าวกว่าพอถึงฌานที่2เนี่ยวิตกท่านไม่มีแล้วใช่ไหมคะวิโตวิจารก็จะระ ง, งับไปไปฌาใจกรรมนี<อ>้ถ้าเรายังมีความคิดอยู่แปล ว, ว่าอนนยมทั้งหลายยังอยู่ในปฐมฌานอืมก็ถ้ามีองค์ประกอบอื่นครบนะปฐมฌาก็จะมีสัดส่วนอื่นด้วยนะปีติสุกมีไหมทั่วตัวไห้อย่างไงอ๋อต้องมีครบเหรอค ะ, ะอ่าใช่ใชใช่คือมีวิโตวิชารใช่ไหมก็ต้องวิโกวิชารชนิดที่เป็นกุศล น, นะแล้วก็มีปีติสุข นะอยู่ด้วยนะถึงจะถูกว่าถูกต้องปีติยากไปไหมคะถ้าดีฉันจะให้ท่านช่วยกรุณาอธิบายว่าปิติก็คือความของปีติปิติคื อ, ค, อความอิ่มเอิบใจความสบายใจนั่นแหละค่ะแตนะ่คือบางคนคิดเรื่องบุญเรื่องกุศ ล, ละอะไรต่างๆแต่ปิติสุขอาจจะยังไม่เกิดในปิติสุขก็คือความอิ่มเอิบใจความสบายใจความสุขก็เป็นความสุขทางใจแตนะ่ที่จะเกิดขึ้นเป็นผลของการที่จิตเราเริ่มมีสมาธิค่ะทีนี้สําหรับคนที่ พยายามฝึกปฏิบัติก ร, ร า, การนี้ในตอนต้นมาฟังพระอาจารย์แล้วใจเสียเลยเพราะว่ามันก็มันมั่วกึ้นไปหมด น, นะคะทั้งกุศลทั้งอกุศลแล้วดูเหมือนกับว่าจะอยู่ปนๆกันอย่างนั้นแยกยากยังไม่ขึ้นชั้นหนึ่งสัทีควรจะใจเสียหรือควรจะมีกําลังใจอะไรกัอันนี้แหละคือที่เราต้องบอกกันที่นี้ว่าสิ่งที่เราต้องรักษาตอนนี้ไม่ได้อะไรามากเลยคือเอาสติอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีสติและเราหมายใจเราจะมีความคิดนั่นนี่โน้นบ้างไม่เป็นไร เพราเราอยู่เดินอยู่ในหนทางแล้วเราเดินไปเดินไปมันก็จะค่อยมีความละเอียดลงลเอียดลงความลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นนะค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้ฮะถึงจะถูกแปลว่าก็ตั้งต้นถูกแล้วละ่ะใช่นะคะแล้วก็เขาก็เป็นกันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีคนอื่นเป็นผลมันจะชา้า จ, จะเร็วแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะแปลว่าตอนนี้ท่านพิบูลให้กําลังใจท่านเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าท้อค่ะทําไปไเรื่อยๆแล้วก็รายการของเราท่านพิบูลก็ได้ช่วยนํา การปฏิบัติธรรมแล้วก็อธิบายอย่างเงี้ยทุทุกวันเลยนะคะวันนี้กราบนมรดการขอพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเจ้าบ้านท่านฝั่งค้ายดิฉันก็มั่นใจนะคะว่าท่านไปบูร์เนี่ยมีประสบการณ์ทั้งกับตัวท่านเองแล้วก็กับผู้ที่ไปฝึกปฏบิบัติที่วัดป่าดอนไยโซเพราะฉะนั้นการที่จะขอความรู้ท่านในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่น่าที่จะทําให้ท่านทั้งหลายมั่นใจได้ทีเดียวท่านสอนอยู่ที่วัดป่าดอนายโซจังหวัดยโสธรนีนะคะ เราก็จะมาพบกับพระมห า, าพิบูลนะพิบุโนรูปนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กค่ะดิฉันสันสินีนาคพงศ์ น, นะคะดำเนินรายการอยู่ที่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 วันนี้ก็คงจะต้องลากไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธสวัสดีค่ะ